บทภาชนี930การดอดที่ชอบทำพิกชณีสำคัญว่าชอบทำคัดค้านต้องอาบัติปาจิตตีการดอดที่ชอบทำพิกชณีไม่แน่ใจคัดค้านต้องอาบัติทุกกฎการดอดที่ชอบทำพิกชณีสำคัญว่าไม่ชอบทำคัดค้านไม่ต้องอาบัติการดอดที่ไม่ชอบทำพิกชณีสำคัญว่าชอบทำคัดค้านต้องอาบัติทุกกฎ การดอดที่ไม่ชอบทำภิกษุณีไม่แน่ใจคัดค้านต้องอบัตรทุกกฎการดอดที่ไม่ชอบทำภิกษุณีสําคัญว่าไม่ชอบทำคัดค้านไม่ต้อง